ช่วงนี้ก็มีข่าวว่าโควิดนะเริ่มกลับมาระบาดใหม่นะมีหลายคนที่รู้จักทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็ติดโควิดกันถึงแม้ว่าจะระบาดน้อยกว่าช่วงต้นปีหรือว่าช่วงเมษาพฤษภาหรือว่าน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วแต่ก็ วางใจไม่ได้เพราะว่าคนตายก็ยังมีอยู่นะมีข่าวว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตายวันละ10คนอาิตี่หนึ่งก็70บแต่ว่าคนที่ติดโควิดวันหนึ่งก็เฉลี่ยก็700กว่าคนซึ่งตัวเลขจริงๆก็น่าจะมีมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วหามี การระบาดแบบนี้เนี่ยนะก็คงจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็คงจะมีผลกระทบนะต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากเลยเพราะว่ารัชการก็คงจะมีมาตรการเข้มงวดเช่นะนงดการชุมนุมงดจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมกันมากๆปิดกิจการ บางอย่างที่มีคนเข้ามาข้องเกี่ยวกันหลายคนหรือหนักกว่านั้นก็มีการห้ามเดินทางมีการปิดเมืองหรือว่าปิดประเทศเลยทีเดียวนะอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าตอนที่มาจากการเหล่านี้ก็ ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผู้คนก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดแต่ก่อนเนี่ยตอนที่โควิดแพร่ระบาดใหม่ๆเนี่ยที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็ใช้มาตรการเดียวกันนะก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันปลอดโควิดให้โควิดเนี่ยหรือคนติด โควิดเนี่ยเป็นศูนย์ที่เรียกว่าโซ r ิโคลโควิดเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเองแล้วก็อีกหลายประเทศก็ใช้มาตรการเข้มงวดแบบนี้ก็คือทำให้คนติดโควิดเป็นศูนย์ให้ได้หรือให้มันน้อยที่สุดโดยการใช้มาตรการต่างๆการล็อกดาว การจำกัดการเดินทางโดวยว่าคนที่ป่วยรูติโควิดว 19, นี่ก็เรียกว่าต้องเก็บต้องเก็บตัวกักตัวใครจะมาเมืองไทยก็ต้องกักตัวอยู่ตั้งที่โรงแรมหรือสถานบริการเนี่ยวั น, เ, นเป็นต้นตอนนี้เมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มาตรการนี้แล้ว แต่มันจะมีประเทศหนึ่งน้าที่ยังใช้มาตรการนี้อย่างเหนียวแน่นเลยคือประเทศจีนรัฐบาล ย, ายังยืนยันนะประกาศที่จะใช้นโบายทำให้ประเทศปลอดโควิดให้ได้เรียกว่าสีโรคโควิดเลยทีเดียวแล้วก็ทำอย่างหนักแน่นมั่นคงมา3ปีแล้วเนี่ยวิธีการก็คือมีการตรวจนะตรวจ ATK ตรวจหาเชือ้อ ตามเมืองต่างๆบางทีทำทุกวันเลยนะบางเมืองคนเป็นล้านเนี่ยตัวกันทุกวันเลยโอ้โหมันใช้งบประมาณใช้กาลังคนมหาศาลเลยแล้วถ้าเกิดเจอใครติดโควิดนี่ต้องกักตัวกักตัวคนติคดคุยไม่พอนะต้องกักคนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยจะเป็นเพื่อนร่วม ง, งานจะเป็นครอบครัวเพื่อนบ้านบางทีในตึกเดียวกันนี่จะกักหมดเลย เพื่อไม่ให้โควิดมันแพร่กระจายออกไปสู่สังคมภายนอกตอนนั้น ไ, ไม่พอต้องบางทีต้องปิดตึกเลยนะต้องตึกเลยห้ามคนออกตอนนั้น ไ, ไม่พอปิดเมืองเลยห้ามคนออกจากเมืองห้ามเข้าเมืองห้ามเดินทางทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ปลอดโควิด ขึ้มก็ช่วยทำให้ลดจำนวนคนตายได้เยอะเลยนะจีนี่คนที่ตายเพราะคือดนี่น้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเนื้อบายนี้พอใช้แบบเข้มงวดนี่ประชาชนทำนนมากเริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าทำมาหากินก็ไม่ได้จะไปเยี่ยม พ่อแม่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าถูกกักบริเวณยวไม่ได้พูดถึงความรู้สึกความเครียดความกัดกุ้มซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปเปิดประเทศเมื่อไหรนะ่เชื้อโรคเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดกัน อย่างมหาศาลเลยคนก็จะล้มตายกันเป็นเบือ่อก็เลยต้องปิดประเทศเอาไว้ก่อนแต่ปิดจะปิดนานเท่าไหร่เพราะคนก็ทนจะไม่ไหวกันแล้วมีการประท้วงนะมากมายอันนี้เพราะว่านโยบา y หรือความมุ่งหมายคือทำให้ปลอดโควิดให้ได้ทั้งประเทศซึ่ง ตอนนี้มันก็เริ่มจะพิสูจน์แล้วว่าถ้าทำไปนานๆเนี่ยมันมันไม่ไหวถ้าใช้นโยบายนี้สักปี2ปีแล้วค่อยเริ่มปรับเปลี่ยนจากการต่อสู้โควิดให้เป็นศูนย์เปลี่ยนมาเป็นการมาอยู่กับโควิดโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วย อย่างที่เมืองไทยตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะจาก2ปีที่ผ่านมาเรามีนโยบายให้ประเทศปลอดโควิดแล้วก็รู้ว่ามันมันทำที่ไม่ได้นานทำได้ชั่วคราวเพราะยังไงโควิดมันก็ต้องแพร่ระบาด จ, จนได้ก็ เ, เลยเปลี่ยนมามาเป็นการอยู่กับโควิดให้ได้ โดยที่ไม่เจ็บตัวมากจะอยู่โควิดได้ยังไงโดยที่ไม่เดือดร้อนมากนะมาตรการสำคัญคือการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้รับมือโควิดแต่มาตรการอื่นก็ยังไม่ทิ้งนะใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าวางระยะห่าง รวมทั้งระมัดระวังนะเวลามาพบปะกันชุมนุมกันอย่าเลี่ยง ก, การมั่วสุมนะระมัดระวังการคุกคีอันนี้ก็ยังต้องทำอยู่นะแต่ว่าสิ่งนึ่งานคือการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจะอยู่กับโควิดได้เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนะี่ยยกเป็นประเทศจียนะยอมรับแล้วว่านี่ยังไงก็ นีโควิดไม่พ้นก็ต้องเรียนรู้ทีจอยู่กับมันหรือปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ถ้าว่าไปตั้งเป้าว่าเนี่ยจะต้องเอาชนะโควิดให้ได้ให้โควิดเป็นศนอันนี้มันก็คงจะเกิดความเสียหายมากอย่างที่เกิดขึ้นนะในประเทศจีนเนี่ยเรศรษฐกิจก็เริ่มแย่แย่หนักขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็เครียดมาก เดือดร้อนมากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองก็เริ่มจะไม่นิ่งแล้วอันนี้มันก็สะท้อนความจริงนะว่าเชื้อโรคเนี่ยนะมันไม่มีทางที่เราจะเอาชนะมันฉนันที่ชื่อว่าทำให้ศูนย์หายไปจากโลกหรือทาให ชวิตเราเนี่ยปลอดจากเชื้อโรคได้สมัยก่อนนี่ก็เคยเชื่อนะว่าเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะเชื้อโรคได้เยเพราะพวกโรคติดเชื้อเนี่ยเพราะเรามีวัคซีนมียาปฏิชีวนะสารพัดแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าทั้งหมดนี่มันมีข้อจากัดเพราะเชื้อโรคนี่มันก็พัฒนานะไปได้เรื่อยๆ มีการกลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆอย่างโควิดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมันก็กลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆเหมือนกับหวัดเหมือนกันนะหวัดก็กลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆการที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดจากเชื้อโรคหรือทําให้สิ่งแวดล้อมของเราปลอดจากเชื้อโรคนี่มันยากเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือปรับตัวเพื่อจะอยู่กับมันอย่าง จะได้ว่าสันติดได้เลหรื อ, อยังไม่เดือดร้อนมากซึ่งนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจริงๆการที่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเรานะมันมีเชื้อโรคหลายตัวเลยอยู่ในร่างกายเรานะแต่เราไม่เจ็บไม่ป่วย อย่างวัณโรคเนี่ยเชื้อวัณโรคเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยเรียกว่าทั่วโลกเลยนะมีคนประมาณว่า1นในสามของประชากรโลกเนี่ยหรือประมาณ 2-3 พันล้านคนเนี่ยมีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวแต่ทำไมไม่ล้มป่วยนะมีคนแค่ ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่ล้มป่วยถ้าคิดเป็นจำนวนก็ล้าน2ล้านหรือ3ล้านคนมึดคือเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ 2,000 ล้านคนที่มีเชื้อบันโรคที่ไม่ป่วยก็เพราะอะไรเพราะมีภูมิคุ้มกันจะให้ร่างกายมันปอดเชื้ อ, อยากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีภูมิคุ้มกัน พอเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยอ่ะมันก็ช่วยทําให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเรายังไงเราก็พอจะรับมือกับมันไหวอันนี้หมายถึงเชื้อโรคจํานวนมากนะเชื้อโรคบางชนิดเราก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอนะอย่างโควิดเนี่ยหรือว่าโรคเอดส์เี HIV เนี่ย HIV 19, ถ้ามันเข้ามาเมื่อไรเนี่ยชาวบ้าจะร้อยทั้งร้อยเลยเนี่ยกย็ป่วยเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่โรคจํานวนมากนี่มันเข้ามาในร่างกายเราแต่เราไม่ล้มป่วยเนี่ยรวมทั้งหวัดด้วยหลายคนเนี่ยก็มีเชื้อหวัดแต่ว่ามีเชื้อเข้ามาในร่างกายแต่ไม่ป่วยเพราะเรามีบุญคุ้มกันจริงๆผู้รู้ยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยนะเจอมะเร็งเนี่ยก็เกิดขึ้นในร่างกายของคนเรา จำนวนไม่น้อยเลยนะแต่ที่ผู้คนจํานวนมากไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีภูวกคุ้มกันเนี่ยคุมเอาไว้อยู่ทําให้เชื้อมะเร็งไม่แพร่ไม่แพร่หลายมากแต่ถ้าภูมกคุ้มกันกนี่เกิดพร่องเมื่อไหร่นะเชื้อมะเร็งก็จะแพร่จนร่า ง, งกายเป็นโรคมะเร็ง เ, เพราะฉในโลคที่มันเต็มไปด้วยเชื้อโรคเนี่ยมันบังไม่ได้นะ ที่จะให้ร่างกายเราปลอดเชือ้อหรือว่าบ้านเราปลอดเชือ้อแต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าเรียนรู้หรือปรับตัวเที่ยอยู่กับมันโดยการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคสันใดนะความทุกข์ฉันนั้นนะจะให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดจากความทุกข์เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมีคนเยังไม่น้อยนะคาดหวังว่า ชีวิตเนี่ยมันจะปลอดทุกข์ได้เวลาอวยพรเวลาขอเวลาอธิษฐานเนี่ยก็อธิษฐานว่าขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ไม่ประสบความทุกข์ความยากไม่ประสบอุปสรรคไม่เจอเสน่ห์จันเลยขอให้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความคาดหวังว่าเราจะทําทให้ชื่ิของเราเนี่ยปลอดจากความทุกข์ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ชีวิตเราเนี่ยยังไงก็ต้องเจอทุกจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ถึงทำงานอยู่ที่ว่าเรามีการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือความทุกข์ได้พ่อแม่จนจะไม่น้อยนะเวลาเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยแกก็ออกแบบชีวิตของลูกชนิดที่ว่าจะไม่เจอความทุกข์เลย อ, อแบบชีวิตของรูปเพื่อไม่ให้เจอความทุกข์เลยเรื่องแต่เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอาจจะเรื่องตั้งแต่เข้าเรียนอนุบาลนะเพื่อได้มีโอกาสเข้ามหาทลายชั้นนำแล้วก็จะได้มีอาชีพที่มั่นคง มีความสําเร็จในอาชีพการงานรวมทั้งดูแลจัดการสุขภาพของลูกประเภทว่าไม่ให้มีเชื้อโรคเลยประเภ่ว่ายุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมไม่ให้ลูกเนี่ยเจอความยากลําบากออกแบบชีวิตของลูกออกแบบสิ่งรอบร้อมเพื่อให้ลูกเนี่ยไม่ต้องเจอทุกข์เลยแม้จะเสี่ยงเจอทุกข์ก็ม่ยอมให้มีความเสี่ยง ชีวิแบบนี้นี่เป็นชีวิตที่อันตรายนะเป็นชื่อวิตเสียงมากเลยถ้าหากว่าพ่อแม่ตั้งใจให้ลูกเนี่ยมีชีวิตที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยกลับทําให้ลูกเนี่ยชีวิตของลูกมันเสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกับพ่อแม่ที่พยายามดูแลสุขภาพา อ, อนามัยไม่ให้ลูกมีเชื้อโรคเลย อนามัยจัดมากไม่ให้แตะต้องอะไรที่มันจะมีเชื้อโรคไม่ให้เล่นทรายไม่ให้เล่นดินไม่ให้เล่นน้ำคลองเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอาหารก็ต้องมีการกำจัดเชื้ออย่างดีแต่สุดท้ายลูกก็ป่วยโน่นป่วยนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็หนีเชื้อโรคไม่พ้น ไม่งันฉันใดฉันก็ฉันนั้นนะเชื้อโรคเนี่ยเราหนีมันไม่ได้ฉันใดเนี่ยความทุกขเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยมมันได้ฉันนั้นคือเราต้องเจอความทุกข์ไม่ว่าจะในรูปของโลกธรรมฝ่ายลบเนีเสือเส่อมลาบเสื่อมยศดินทาถูกดินทาว่าร้ายหรือว่าเจอลูกรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอนิจจารม ช่วเราแต่เราคนไม่มีทางที่จะหนีทุกพ้นนั้นสิ่งสําคัญคือว่าเราจะรับมือความทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องมีภูมิคุ้มกันแต่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันเชื้อโรคแต่เป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ภูมิมกันเชื้อโรนี่มันเป็นการสร้างภูมิใหกับร่างกายแต่ภูมิคุ้มกันความทุกข์นี่ก็คือการสร้างภูมิใหกับจิตใจ ภูมิคันในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเมื่อเกิดจากการที่เจอเชื้อโรคนะบางทีก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าไปวัคซีนคือเชื้อโรคอ่อนๆเมื่อร่างกายเราเจอเชื้อโรคทั้งที่มาโดยธรรมชาติหรือว่าเพราะได้รับวัคซีนเนี่ยมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันโรคภูมิคุ้มใจเพื่อป้องกันความทุกข์ก็เหมือนกันนะ เราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเจอความทุกข์บ่อยๆการเจอความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาในจิตใจคนที่เจอความผิดหวังอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันความผิดหวังพอเจออะไรไม่ได้ดังใจก็จะไม่ตี อ, อกชกหัวไม่ฟูมไฟไม่ตีโพยตีพาย เพราะเขมีภูมิคุ้มใจภูมิคุ้มใจเนี่ยอาจจะเกิดจากความอดทนนะเพราะว่าเจอความผิดฟังมาเยอะจิตใจก็เลยมีความอดทนนะอันนี้เราเรียกว่าขันตนะิมีความอดทนในรูปของขันติคนที่เจอความทุกข์บ่อยๆก็จะมีความอดทนจนกระทั่งเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อ10ปีก่อนจนะมันมี สารคดีนะที่ทำโดยรายการคนค้นค น, คนเขาทำเรื่องราวของย่ายิ้มนะย่ายิ้มนี่ไปใช้ช่วย อ, อยู่บนเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกแต่ก่อนลูกๆเนี่ยก็ไปอยู่กับย่ายิ้มด้วยทำไรทำนาแต่ต่อหลังขงเสื้อลาบากลูกๆ ก, ก็เลยลงมาคงเหลือแต่ย่ายิ้มอยู่บนนั้น ปลูกผักหาหญ้านะปลูกข้าวด้วยก็อยู่บนเขาเนี่ย จ, จำพาะวันพระนะจึงจะลงจากเขาเดี๋ยวเพราะในช่วงขาบันสายก็ตรงจากเขามาเข้าวัดคนอายุ80นี่ลงเขาไม่ใช้เรื่องง่ายนะพอผ่านบันพระเสร็จก็เดินขึ้นเขาบางทีก็มีรถช่วย ขับไปส่งนะเอาข้าวขนข้าวขึ้นไปด้วยขนข้าวขนพริกขึ้นไปญาิ้มอยู่คนเดยนบนเขานะแล้วก็อยองมีความสุขมีครนังนพิธีกรก็ถามว่าเนี่ยเดินจากเขามาวัดเนี่ยมันไกลมันลำบากหรือเพราะเวลาฝนตกญาญุยิ้มไม่เหนื่อยเลยแก ต, ตอบว่าก็มันเคยเสียแล้วนะพูดจบก็ยิ้ม พิธีกรก็ถามว่าเนี่ยอยู่บนนั้นคนเดียวเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาทำยังไงย่าก็ตอบว่าก็มันเคยเสียแล้วพูดง่ายคือไม่เป็นไรหรอกพิธีกรถามว่าเกิดว่าลงเขาไม่ได้เนี่ยเพราะฝนตกหนักข้าวก็หมดต้องขุดกรอยกินเนี่ยหัวกรอยกินเนี่ยจะอิ่มเหรอจะไหวเหรอ ยายิ้มแกไม่ตอบตัวแกก็ตอบเหมือนเคยว่าก็เป็นเคยเสร็แล้วพูง่ายคือว่าเจออะไรเนี่ยนะไม่ได้ทำให้ยายิ้มเป็นทุกข์เลยเพราะว่าเคยเจอมาหมดละการที่เจอความทุกข์มาเจอความยากลำบากมาก็ทําให้ยายิ้มมีภูมิคุ้มกันในจิตใจก็เลยไม่ทุกข์เจอทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์นะเพราะว่าจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนอันนี้เราขันติ แต่นอกจากขันติแล้วในภูมิคุ้มใจอย่างหนึ่งนะก็คือสตินะสตินี่มันช่วยรักษาใจไม่ให้ความทุกข์มาครอบงาจิตใจเวลาเจอสิ่งที่ไม่สมหวังไม่เป็นดั่งใจความผิดหวังก็ไม่สามารถจะครอบงาใจได้เวลามีคนมาต่อว่าด่าทอความโกรธความน้อยใจก็ไม่สามารถครอบงาจิตใจได้เวลาสูญเสีย พัดพรานะความเศร้าก็ไม่สามารถจะบีบคั้นใจได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความเศร้าไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความโกรธไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความหงุดหงิดลำคันใจมีนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเล่นงานจิตใจได้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรืออารวมอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ใช่พอมันเกิดขึ้นแล้วนี่มัน จะลงเอยด้วยการที่เราเป็นทุกข์นะมันอยู่ที่ว่ามันจะครอบงำใจเราได้หรือเปล่าและสิ่งที่ทำให้มันครอบงำใจไม่ได้ก็คือสติสติเนี่ยมันช่วยทำให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อกุศลเป็นความทุกข์เป็นความโกรธความเครียดความเศร้าความต่อการวลเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามัน ไม่อาจจะทำร้ายจิตใจได้เพราะว่ามีสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจที่จริงสติรักษาใจด้วยการที่รู้ทันนะไม่ใช่เป็นกรอกที่รักษาใจแต่ว่าเป็นตาหนายมากกว่าที่ทำให้เห็นที่ทำให้รู้ว่ามีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยไปยึดไม่ค่อยไปเป็น หรือผู้ยานก็คือไม่ปล่อยให้มันเข้ามาคลองใจหรือครอบงําใจอันนี้มันก็คล้ายๆกับภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะที่พอมีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยมันก็จัดการกับเชื้อโรคเหล่านั้นถึงแต่ภูมิคุ้มกั น, นร่างกายเราเนี่ยมันก็ไปทําลายเชื้อโรคแต่ว่าภูมิคุ้มใจเนี่ยโดยพอสติเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับไปทําลายไปรายงานอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรง มันเพียงแต่ไม่ทำให้อารมณ์เหล่านนเนี่ยเข้ามาครอบงำใจจากก า, การที่รู้ทันอารมณ์เหล่านันเนี่ยและกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยด้วยอำ น, นาจของสติเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์เหล่านันเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยความหลงเหมือนไฟอยู่ได้เพราะออกซิเจนออกซิเจนดับไฟก็ดับนะความหลงหมดไปอารมณ์เหล่านี้มันก็ ดับไปด้วยเหมือนกันและที่ความหลงหมดไปเพราะมันมีความรู้สึกตัวที่เกิดจากการที่มีสติรู้ทันอารมณ์ความคิดเหล่านั้นนี่เป็นภูมิคุ้มใจนะที่สาคัญมากมันเป็นตัวทำให้เกิดระยะห่างนะระหว่างจิตกับอารมณ์ไม่ไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปคลอเคียกับอารมณ์จนเข้าไปเป็ น, นเวลาี่เราพูดถึงการวางระยะห่างระยะห่างจากผู้คนที่อาจจะ ติดเชื้อเรียกว่า social distancing การบาระยะห่างทางด้านความสัมพันธ์คือไม่เข้าใกล้เกินไปทำให้ไม่ติดเชื้อทำอกันนะสติมันทำให้เกิดระยะห่างภายในที่ทำให้ความทุกข์นี้เข้ามาครอบงำใจไม่ได้ถ้าเรา ตระนักชัดนะว่าในเมื่อเราหนีทุกข์ไม่พ้นโดยเพราะทุกข์ที่เป็นโลกธรรมฝ่ายลบที่เป็นอนิจจารม์ที่เกิดจากความพัดพากสิ่งที่รักพัดประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับทุกข์ไม่ใช่หนีมันแต่อยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะใจมีเครื่องรักษาหรือเรียกว่าภูมิคุ้มใจสิ่งนั้นคือ คันติทีนั้นคือสติและที่สมรถคือปัญญาปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองหรือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่เอี่ยงที่จะยึดมั่นถือมั่นได้หรือรู้รเพ่งมีปัญญาแค่รู้ว่าเนี่ยมีกำหมดได้กับเสีย พบกับพรากเจอกับจากเป็นของคู่กันเวลามีก็ไม่ดีใจเพราะนั้นเวลาหมดก็ไม่เสียใจเวลาได้ก็ไม่ได้ดีใจเพราะนั้นเวลาเสียก็ไม่เสียใจเวลาพบก็ไม่ลิงโลดเวลาพรากก็จะไม่เศร้าโศกนะเวลาใครชมก็ไม่หลงไหลปราบปลื้มนะเวลาใครก็าําหนิก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็คือเห็นนะธรรมดาโลกว่าเป็นอย่างนั้นเอง นี่ก็เราเป็นปัญญาที่เป็นภูมิคุ้มใจรักษาใจของเราไม่ให้ถูกได้